พรธรรมเทศนาแผ่นที่107ลําดลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่6พฤษภาคม2560มีชื่อเรื่องว่ามุนเข็มทิศไปสู่ความดีวันนี้เป็นวันเสาร์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2560 วันนี้หลวงพ่อฉันจะหันเสร็จแล้วก็ตอนจะมีหลวงพ่อจะได้ลงไปกรุงเทพในวันนี้นะประมาณทุ่มนะสองทุ่มหลวงพ่อจะได้แสดงและไปเทศที่วัดพิชัยอำเภอบางพรีวัดของหลวงพ่อเล็กประมาณสองทุ่มหลวงพ่อจะลงไปลงที่สุวรรณภูมิวันนี้นั่งเครื่องลงสุวรรณภูมิ เสร็จแล้วก็คงจะเข้าไปพักที่วัดพิชัยวัดของหลวงพ่อเล็กท่านจะมีการทอดผ้าป่าสามักคีเพื่อหาทุนเพื่อสร้างอาคารสร้างศาลาสร้างศาลาอเนกประสงค์คำว่าเนกประสงค์คำนี้ก็คือเป็นทั้งโบสถ์ด้วย บวชพระก็ได้ทำสังฆกรรมได้ทุกอย่างและก็พร้อมกันกับเป็นชะลาที่พักพาอาศัยที่ฉันจังหันของพระสงฆ์ด้วยแต่ว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วแต่ทุนมันยังไม่เสร็จเพราะนั้นจึงจะมีการทอดป้าป่ารวบรวมจิตตุปใจเพื่อทำให้มันเสร็จให้มันจบพี่น้องหลายคนจัตทายญาติโยมหลายคนก็คงจะไม่มีปัญหา ในหลวงพ่อจะคงจะไปร่วมรวบรวมศรัทธาญาติโยมเพื่อจะหาทุนเพื่อสาลาอเนกประสงค์หลังนี้แหละเดจะลงไปในวันนี้นะแล้วก็ตอนบ่ายวันที่เจ็ดวันพุงนี้ก็คงจะมีการเททองทันสมิตธจะเททองที่สวนแสงธรรมแล้วก็วัน ตรงพ่อจะกลับขึ้นมาก็คงจะมืดค่ำเกินไปกลับมาถึงวัดก็คงจะดึกเดิดนคงจะพักที่วัดที่สวนแสงธรรมก่อนวันคืนวันที่7วันที่8เช้าก็คงจะฉันจะหันที่สวนแสงธรรมจากนั้นก็คงจะหาทางกลับมากรุงหาทางหาทางกลับมาวัดเพราะว่าวันที่10วันที่8กลับใช่วันที่10 เป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งในวัดของเราในในหลักของพุทธศาสนาลูกพ่อของคงจะรีบขึ้นมาขอให้พระเนรลูกหลานทุกองนะเตรียมพร้อมจัดการอะไร ช, ช่วยกันดูวันที่9เป็นวันปง่งวันที่สิบก็เป็นวันวิสาขะเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่ประสูตรตัตรู้ปรินิพานของพระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเราคนะขอยพานเนรุกล้านเตรียมพร้อมสัตยาญาโยมอยู่ที่วัดนะแล้วก็เมื่อวานหลวงพ่อชันจังหันเสร็จแล้วนะหลวงพ่อก็ได้นำพระไปที่ภูผาแดงอย่างที่พวกเราได้เห็นที่หลวงปู่ท่านได้ให้เหรียญของหลวงปู่มามาแจกกันเมื่อกี้นะ <c oughs> เนี่ยเหรียญหลวงปู่ ไปกราบคารวะท่านหลวงพอ่อเขาบอกหลวงพ่อศรัทธาญาติโยมเข้ามาวันเกิดของหลวงพ่อกล้นหลามการเขากราบถวายเจตุปัจจัยน้ําใจของพี่น้องลูกหลานศรัทธาญาติโยมเอาปัจจัยมาถวายหลวงพอ่อหลวงพ่อได้ปัจจัยแล้วก็และลึกถึงเจดีของหลวงปู่เหมือนกันก็เลยได้นําจตุปัจจัยที่เขาถวายหลวงพอ่อแล้ว พอไปถวายหลวงปู่เมื่อวานถวายสร้างพระเจดียด์ของหลวงปู่นะศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนมันไม่ใช่เงินของปัจจัยของหลวงพ่อหรอกเป็นปัจจัยของศรัทธา ญ, ญาติโยมนะถวายหลวงพ่อหนะลวงพ่อได้มาแล้วก็มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังอันไหนจะเกิดประโยชน์ในพระพุทธศาสนาชาติศาสนาเพราะนั้นหลวงพ่อจึงมองเห็นเอือนาจะเอาไปสมทบสร้างเจดียด์ของหลวง ปหลวงปู่ลีก็สร้างเจดีย์โง อ, องค์หลวงตาที่ภูผาแดงวันนั้นหลวงพ่อจังได้เอาไปสมทบห้าแสนบาททีเมื่อวานนั้ลูกหลานาจตายญาติโยมนอะอนุโมทนาสาธุพร้อมกันนะเนอาแล้วก็พร้อมกันวัดของเราก็ได้ร่วมสร้างพระเจดีย์ของหลวงปู่ลีเนี่ยตรงนี้แหล ะ, ะต่างกลํมต่างวาระตั้งแต่ลิเริ่มสร้างพระเจดีย์ขึ้นมา พอเราก็ได้ทยอยสมทบมาเรื่อยๆถ้าปิดเงินออกมาถ้าหลวงพ่อจําไม่ผิดนะก็เป็นเงิน5ล้าน5้าแสนแล้วนะเจดี JD ของหลวงปูล่ลีวัดของเราไปร่วมสมทบ5ล้าน5้าแสนนะจัตยาญาติโยมนะอันนี้ก็เนี่ยให้แจ้งข่าวให้คณะสัตยาญาติโยมเลยรับรู้รับทราบแต่ข่าวนี่ห้าแสนแต่ก่อน5ล้านแล้วแต่เขาคราวนี้เขาไปอีกนู่นละ กระถินเศษถ้ามันมีมาหลวงพ่อไม่ล้มไม่ตายนะแต่เป็นเงินกระถินมาอีกก็คงจะนำไปกราบสมทบกับหลวงปู่อีกนะอันนี้ก็คือการทำบุญสร้างให้บุญสร้างกุศลให้เกิดประโยชน์อันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังแล้วก็พร้อมกันเมื่อวานเนี่ยพอหลวงพ่อไปกราบหลวงปูร่รีถวายเจตุปจัจจัยท่านแล้วก็ถามไทยท่านท่า น, านสุขภาพของท่านก็ดีอยู่นะ ดีตามภาษาพุทเท่านะอายุ95เต็ม96อย่างเข้ามาหลายเดือนแล้วนะและจะเสร็จแล้วก็หลวงพ่อกลาาบคารวะท่านนะลงไปดูที่วัดโพธิสมพรงานหลวงปู่ใหญ่เจ้าคุณวัดโพธิที่ท่านจะพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของท่านวันที่16นะพี่น้องประชาชนจัทธายญาติโยมหลวงพ่อก็ับไปดู นกขัดจดีลิงแต่ว่าตัวเล็กกว่าตัวเลกว็กกว่าของหลวงปู่จามนะหลวงปู่จามเนตัวใหญ่แต่กท่านก็ใช้โครงโครงพวกโครงไม้ไผ่ลูกเล่นมากกว่าของหลวงปู่จามนะแต่ของหลวงปู่ใหญ่วัดโพนี่เป็นตัวเล็กแต่ราคาเนี่ยแพงเพราะเป็นไม้จริงไม้สักน ะ, ะท่านก็แกะแล้วก็สวยงามนะแต่ของหลวงปู่จามเนเป็นพวกโครงไม้ไผ่ หูหูกับพับหูพับหูได้ด้วยนะพับหูกับ ล, ลืมตาได้อีกตากันบเปลือกหน้าปเปลือกหลังช้างวนะ่างนกขันจะดีลิงนะงวงนี่กัเวียงซ้ายเบี่ยงขวาดูดเงินคนอีกต่างหากนะ <c oughs> ของหลวงปู่จามนะแต่ของหลวงปู่จันทร์สีถามถามว่างวงงวงช้างเนี่ยมันไหวได้ไม่ไหวได้อยู่นะงั้นวงซ้ายนี่ไหวได้ แต่วาตาเนี่ยลืมไม่ได้ห ล, ลับตาลืมตาไม่ได้ช้างตัวนี้เัมือนแต่หูเนี่ยกัพับได้น้อยนึงเหมือนหลวงพ่อถามหมดเมื่อวานเะนี่ยเพราะนั้นศรัทธา ญ, ญาติโยมไปนะไปดูวันที่16นะเป็นวันพระราชทานเพลิงนะหลวงปู่ของเรานะพระ อ, องค์พากเสด็จเป็นประธานกวายบ้านเมืองนะนะพระ อ, องค์พาเสด็จนะ และก็พร้อมกันก่อนน่ะสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันน่ะท่านเสด็จ ด, ด้วยมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และก็เย็นเย็นวันที่ส5บพาประมาณทุ่มสองทุ่มท่านเจ้าคุณผู้จัดการ น, นะท่านจุคุณอะไรมหาวงไทยที่เป็นรักษาการนะท่านก็นิมนต์หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรม ถ้าม่มีเจ็บถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะหลวงพ่อก็คงจะได้ไปแสดงธรรมวันที่สิบห้าเย็นพรงานของหลวงปู่ใหญ่ทุกปนะีหลวงพ่อจะได้ไปแสดงธรรมในงานวันเกิดของท่านครบรอบวันเกิดของท่านหลวงพ่อไม่ปฏิเสธถือว่าหลวงปู่วัดโพธิสมพรนะเป็นปู่เป็นทวดของหลวงพ่อเป็นนั่นอ่ะใช่จะว่าไปเลยก็เป็นเพื่อนกัน เป็นสหธรรมิกกันกับองค์หลวงตามหาบัวสมัยท่านไปเรียนหนังสือเชียงใหม่ท่านอย่างโูดตลอดอยู่ว่าหลวงตามหาบัวเนี่ยลืมลืมม้งไปไม่มีม้งแต่ท่านเจ้าคุณท่านมีท่านก็เลยเอาให้หลวงตามหาบัวเป็นม้งม้งกลางนอนอยู่ในเมืองเราก็รู้อยู่แล้วม้งไม่มีม้งจะทำยังไงฮะหลวงตาท่านก็นลเลยระเบิถึง ลำเลิกถึงบุญคุณที่ได้ให้มุง่งกับองค์หลวงตานะ ส, สรุปแล้วก็คือท่านเป็นสหธรรมมิ ก, กันมาตั้งแต่น้อยนมเพราะนั้นหลวงพอ่อเมื่อเคารพองคนะ์หลวงตาหลวงพ่อเคารพในองหลวงตาก็ต้องเคารพในท่านหลวงปู่วัดโพธิสมพรด้วยแล้วก็เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรวัดปวร เป็นสหธรร ม, มิกการพระองค์หลงตาแต่สมัยเป็นพระน้อยพระหนุ่มจนถึงบรนปลายชีวิตขององค์ทั้งสองพระ อ, องค์แต่ก็เป็นเป็นสหธรร ม, มิกการเพราะนั้นเราในฐานะลูกหลานก็ต้องให้ความเคารพเพราะว่าเป็นสหายสหายปู่สหายทวดของเราสหายตระกูลของเราเราก็ต้องให้ความเคารพนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละหลวงพ่อก็จะได้ ไปเป็นองค์เป็นผู้แสดงธรรมอย่างวันที่สิบานเนี่ยคณะัทธาญาติโยมตอนบ่ายแต่ไม่รู้จะพูดอะไรให้ลูกหลานฟังละไปไปฟังถึงจะพูดยังไงก็ว่นนะโมคำเดียวก็น่าจะเพียงพอมั้งขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคนอบนอบ้นอมแด่ครูบาอาจารย์นี่แหละแล้วก็เสร็จแล้วกอ น, นวันที่แปดน้องหลวงพ่อจะขึ้นมา ขึ้นมาวัดกันในวันวิสาขาบูชาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเอเ ต, ตเตรียมใจเตรียมใจเตรียมพร้อมเตรียมคุณงามความดีเตรียมใจคนตนเองนั่นะประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้พระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนอย่างน้อยเราก็ให้ถึงให้ถึงพระไตรชรนาคม ก็ยางดีนะถึงจะไม่ได้สำเร็จพระสดาสกทาคาอนาคาอรหรันแต่เราก็ให้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะยดพระไตรสรณคมพุธทธังธรรมมักสังขังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอย่างาเชื่อมั่นอย่างนักแน่นเพียงแค่นี้ก็น่าจะ เป็นผลดีสำหรับพวกเราเพราะนั้น umm วันวิสาขาบูชาที่จะถึงเนี่ยถ้าพวกเรายัางเลื่อนเลือนางๆางเลอะเลอะเทอะเเลอะเลอะเลื่อนเลอืเลอนอย่างไม่มั่นคงเราก็ น, น่าจะกล่าวพูดทางธรรมงังสังขงังสราคักฉามิถ้ามากกว่านั้นถ้าผู้สูงอายุนะนะก็ว่าตั้งแต่บัตรนี้ไปปี2อ6 0อ ตั้งแต่ปี2560ั้าร้ข้าพเจ้าอายุเท่าไรปีนี้ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตั้งแต่บัดนี้ไปตลอดชีวิตข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์แม้แต่มดดำวมดแดงข้าพเจ้าจะไม่ขโมยของคนอื่นแม้แต่น้อยที่ระลึกว่ามันไม่ถูกต้องข้าพเจ้าจะเคารพในสามีภรรยาคนอื่นข้าพเจ้าจะไม่โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงข้าพเจ้าจะไม่ดื่มโทรราให้ขาดสติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันวิสาขบูชาปี2อ6 0อเป็นต้นไปถ้าได้อย่างนั้นมาเลิศประเสริฐนะคานาะสถา ญ, ญาติโยมลูกหลานไปว่าเราหันเข็มทิศหันทิศทางเบนจิตเบนใจของพวกเราเข้าสู่ศีลสู่ธรรมเข้าสู่คุณงามความดีเพราะทางโลกเราเนี่ยหมกมุ่นหมกมุ่นหลงไหลงมงาย มากับโลกจนพอแรงแล้วแต่บัด น, นี้เราหันเข็มทิศจิตใจของเราเข้าสู่คุณงามความดีอันไหนเป็นคุณงามความดีเราจะพยายามสิ่งนั้นให้ดีที่สุดสิ่งไหนที่มันชั่วข้าวพเจ้าจะไม่ทำโดยเด็ดขาดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ล่ะอยากจะให้พวกเราคณะทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเราประกอบคุณงามความดี สัง่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจและเมื่อจ so ิตใจของเรามีเหตุมีผลนะจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลแล้วนะเราอุ่นใจนะเราจิตใจของเราอยู่ในสถานที่ใดจิตใจขเราไม่ว้าเหวอ้างว่างเงียบเหงาซึมเศร้าเพราะอะไรเพราะเรามีคุณงามความดีใยจิตอยู่ในจิตในใจของพวกเราพวกเรายึด พระไตรสารณคข่มยึดผู้ดีคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งแต่ถ้าว่าพวกเราเอาไม่ได้ยึดหลักจุดนี้แล้วจิตใจของเราจะว้าเหวนะ ว, าว้าเหวอ้างว้าเงียบเหงาเศร้าซึมจิตใจไม่มีหลักใครโกหกยังไงกับเชื่อเข้าไปเป็นไม้ไม้ปักขี้เลนไม้ปักขี้ควายาปวดให้ถูกก็เลย เขาหลอกไปหลอกมาหลอกมาหลอกไปเหมือนกับเด็กเพราะเคยหลอกเขามาก่อนใอ่ผลในสุขก็เลนะเขาหลอกหลอก้โกหกต้มตุ๋นหลอกตัวเองผลในสุขก็เลยหาจุดยืนไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเรา ท, ท, ทุกท่านนะต้องมีจุดยืนจุดยืนก็นนะีจุดยึดคุณงามความดีเนะข้าสู่จิเข้าสู่ใจแต่ะเลือดประเสริฐนะตอต่อเนี้ไปพระสงฆ์เจ้านุมานาให้พรรับพรในเสน่ห น, น, นะ